เราส่วนใหญ่ก็รักชีวิตเกรดกลัวความตายแต่ถ้าถามว่าชีวิตที่เราทุกคนรักและหวงแหนเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็คงจะตอบ ก, กันไปคนละทิศคนละทางคำนิยามว่าชีวิตคืออะไรนี่คิดว่านิยามได้เป็นร้อยนะ ความตายก็เหมือนกันอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้เราจะพูดออกมาเป็นคําไม่ได้ว่าชีวิตคืออะไรแต่ก็เชื่อแน่ว่าถ้าเราเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยหรือเห็นคนที่มีชีวิตเนี่ยเราก็บอกได้ว่าเนี่ยเนี่ยคือชีวิตบอกเป็นคําพูดไม่ได้แต่ถ้าเห็นเนี่ยเราก็บอกได้ว่านี่คือชีวิต ความตายก็เหมือนกันนะคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเนี่ยถึงแม้จะนิยามไม่ได้ว่าความตายคืออะไรแต่ถ้าเห็นคนตายเนี่ยเราก็บอกได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถจะพูดได้ชัดเจนนะเวลาพูดถึงความตายเนี่ยเราก็ หรือเห็นคนตายเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เขาตายแล้วเพราะว่าหัวใจเขาหยุดเต้นเพราะว่าเขาหมดลมนะหรือสมัยนี้เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยนะีถ้าจับได้ว่าสมองตายก็ถือว่าตายอันนี้ก็เป็น เป็นความเข้าใจคนทั่วไปนะว่าความตายเกิดขึ้นเมื่อคนเราหัวใจหยุดเต้นหรือสมองตายแต่ว่าเราแน่ใจได้หรือเปล่าว่าเนี่ยมันเป็นความตายที่อ่าที่เรียกว่าจริงแท้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมองว่าความตายเนี่ย มันมีอยู่สองระดับนะอันที่1คือความแตกความตายหรือความแตกดับทางกายอันที่2คือความตายหรือความแตกดับทางจิตเวลาเราพูดว่าคนนี้ตายแล้วเนี่ยนะเราก็ดูแต่เฉพาะอาการทางกายหมดลหมหัวใจหยุดเต้นสมองตายอันนี้เป็นเป็นเป็นวิธีการวัด โดยอาศัยความรู้ทางการแพทย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่หัวใจหยุดเต้นหมดลมเนี่ยในทางพุทธศาสนานเราก็ไม่เรียกว่าตายร0 0ซนะชีวิตเนี่ยมันประกอบไปด้วยกายกับใจเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงความตายเนี่ยมันก็ต้องมีสองระดับก็คือการแตกดับของกายและการแตกดับของใจ ในความตายที่วัดกันที่อาการทางกายภาพเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นการตายที่สมบูรณ์นะการตายสมบูรณ์หรือการตายร0เนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยหมดลมหมดใจหยุดเต้นสมองตายไม่พอนะจิตมันก็ต้องแตกดับด้วยแต่ทางวิสยาศาสตร์เนี่ยเขา อาจจะไม่เคยได้สนใจเรื่องจิตเท่าไหร่หรือเขาคิดว่าจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมองนะแต่ทางพุทธศาสนานี่มองว่ามันคนละส่วนกันและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการ์หรือปรากฏการที่ชื่เห็นว่าสมองกับจิตเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันนะอันนี้เราลองมาทำความเข้าใจเรื่องความตายในพุทธศาสนาสักหน่อยนะเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์สาหรับ เวลาเราเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตายหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะตายเองนะนทางาพาทศาสนาอย่างที่บอกไ้แล้วว่าความตายเนี่ยมันมี2ประเภทสองมิติทางเทรวาสก็บอกว่าคนเราตายเมื่อ1อายุสองไออุ่น 3. มวิญญาณดับนะหรือว่าออกจากร่างอายุนี่มันก็หมายถึงพลังชีวิตนะไออุ่นก็ จ, จะหมายถึงอุณหภูมินะ อันนี้ก็เป็นเรื่องกายส่วนวิญญาณนี่ก็เป็นเรื่องของจิตนแต่ว่าทางพุทธศาสนาแบบทิเบตรหรือว่าชรยานเนี่ยอธิบายได้เป็นระบบกว่านะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะตายเนะี่ยมันเริ่มต้นด้วยการแตกดับทางกายก่อนกายนี่ก็ประกอบไ ป, ไปด้วยดินน้ำไฟลมแล้วคนที่ถ้าตายแบบตายแบบธรรมชาตินะคือไม่ได้ จะอุบัติเหตุตายถูกฆ่าตายหรือว่าไม่ได้ถูกยื้อชีวิตนะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยการตายเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยการแตกดับของธาตุดินกนะ่อนเพราะว่ากายหรือรูปเนี่ยป ร, ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมการตายมันจะเริ่มต้นจากการแตกดับของธาตุดินก็คือว่าเริ่มนะอ่อนแรงนะกล้ามเนื้อก็เริ่มรีบนะเรียวแรงที่เคยเดินได้ ก็เดินไม่ได้นะต้องนั่งแล้วจากนั่งเป็นนอนร่างกายผายผอมอันนี้เป็นเรื่องของธาตุดินนั่นที่พูดแบบง่ายๆนะเมื่อธาตุดินแตกดับแล้วก็จะเป็นลำดับของธาตุน้ำคนที่ใกล้ตายก็จะมีปัญหาเรื่องปากแห้งคอแห้งนะหรือบางทีตาก็แห้งผิวแห้งแต่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในทางตรงข้ามาเฉ่นเหงื่อออกเหงื่อการเยอะ นะหรือว่าอุจลปัสาวะอันไม่อยู่ไอพวกนี้ก็เป็นอาการวามแตกดักของธาตุน้ำแล้วก็ตามไม่ได้ธาตุไฟนะก็คืออุณหภูมิก็เริ่มลดลงตัวก็เริ่มเย็นแต่บางคนนี่ไฟธาตุแตกนะมันก็อาจจะร้อนนะอย่างมีโยมคนหนึ่งแกมาใช้ระยะสุดท้ายใช้ชีวชงสุดท้ายที่ที่นี่แล้วก็ตายที่นี่ ตอนนั้นก็เป็นเดือนกุมภานะอากาศก็หนาวนะแต่แกไม่แทบจะไม่ต้องใช้ผ้าห่มเลยเพราะว่าธาตุไฟมันแตกรู้สึกร้อนด้วซ้ําแล้วก็ตายสงบนะจากธาตุไฟก็สุดท้ายคือธาตุลมอาการของธาตุลมที่กําลังแตกดับก็คือการหายใจมีปัญหานะเกิดอาการภาะวะที่เรียกว่าแอร์ฮังเกหรือปล้ายคล้ายปลาทองหิวหรืองับอากาศเสร็จแล้วก็หมดลม ทางการแพทย์เนี่ยพอหมดลมเนี่ยหรือหัวใจหยุดเต้นก็ถือว่าตายแล้วแต่ทางวัตธศาสนาถือว่ายังไม่ตายสมบูรณ์นะมันต้องรอลำดับถัดไปคือการแต่ตดาของธาตุของของจิตนะซึ่งก็มีขั้นตอนนะมันก็ไปสุดท้ายตรงที่ว่าเกิดเพราะาแสงกระจ่างอันนี้พูดแบบของทิเบตนะเกิดเพราะาแสงกระจ่างคล้ายๆเหมือนกับ ดาวเลือกที่พอมันจะแตกเนี่ยมันก็จะสวัสระเบิดโพรงขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปดวงอาทิตย์เนี่ยนะระะสุดท้ายดวงอาทิตย์เนี่ยของเราเนี่ยในระบบุสียจั ก, กรวาลก็จะเป็นอย่างนั้นแหละถึงจุดนึงก็จะร ะ, ะเบิดขึ้นมาแล้วมันก็หมดไปเลยจิกก็เหมือนกันนะพอเกิดเพราะแสกระจ่างและหลังจากนั้นก็เป็นอันว่าดับก็ไปเกิดใหม่เนี่ยความรู้นี่มีประโยชน์อย่างไร มันมีประโยน์ตรงที่ว่ามันทำให้เราได้ตระหนักว่าคนเราเนี่ยแม้หัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยแม้สมองตายหรือหมอวินิจฉัยตัดสินว่าตายแล้วเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะยังสามารถรับรู้ได้ยังสามารถได้ยินสามารถเห็นได้สามารถจะได้ยินคนพูดสามารถจะเห็นคนที่กำลังร้องหย่ร้องไห้อาจจะเห็นลูกหลานกาลังทะเลาะ ก, กัน หลายคนก็สงสัยว่าจะเห็นได้งไงในะพะกันเห็นหรือการได้ยินเนี่ยมันต้องอาศัยระบบประสาทอาศัยสมองแต่ตอนนี้มันก็มีปรากฏการณ์มากมายที่ชี้้เห็นว่าการเห็นการได้ยินเนี่ยนะมันอาจจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งในภาวะที่ถือว่าตายแล้วนะหมอวินิจฉัยว่าตายแล้วหวัวใจหยุดเต้นแล้วนะแต่ยังสามารถได้ยินสามารถรับรู้ได้ มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าแพ้ยาแพ้ยาอย่างหนักเลยนะถึงขั้นหายใจไม่ออกแล้วก็ดิน้นนะอาปากพยายามหายใจนะแล้วก็เพราะว่าพยาบาลเนี่ยพอรู้เขาก็รีบพาส่งนะห้องฉุกเฉินทันทีเธอเล่าว่าเนี่ยตอนที่หน้าสิวหน้าขวานในวิกฤตเนี่ ย, ยมาเห็นอะไรสีเหลืองไปหมดเลยนะเสร็จแล้วก็นิ่งสนิทไป สแล้วก็มาอีกทีก็ได้ยินได้ยินพยาบาลพูดว่าความดันเลือดเนี่ยไม่มีแล้วที่ประจจับไม่ได้หยุดหายใจแล้วแล้วก็ได้ยินหมอปั๊มหัวใจไอ้แบบเนี้ยแสดงว่าถ้าทางยศาสตร์ก็ถือว่าตายแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ยินพยาบาลได้ยินหมอทำอะไรกับร่างกายของเธอ แต่ว่าไม่ปวดนะไม่ปวดพอมารู้ตัวอีกทีปวดมากเลยปวดที่คอเพราะว่าใส่ท่ออะไรต่างๆเข้าไปไอ้ตอนที่เธออยู่ในภาวะที่เรียกว่าตายทางการแพทย์นเนี่ยได้ยินหมอไี้โรพยาบาลพูดทุกอย่างนะไอ้เรื่องได้ยินเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกแล้วนะแต่บางคน้เห็นด้วยซ้ำนะ ครั้งที่หัวใจหยุดเต้นแต่เห็นมีคนหนึ่งไปอันนี้ก็รายงานอยู่ในนิตยสาร National Geographic นะคนไข้นี่ก็ผ่าตัดสมองอผ่าตัดหัวใจแล้วก็มีช่วงหนึ่งหัวใจหยุดเต้นนะบอกกว่าในพาอที่หัวใจหยุดเต้นเธอเห็นเธอเห็นจอมอนิเตอร์นะเห็นสัญญาณชีพของตัวเองแล้วก็เห็น แล้วจิตมันก็ล่องลอยไปข้างนอกออกไปนอกห้องผ่าตัดไปที่ระเบียงแล้วก็เห็นพ่อของตัวเองเนี่ยนะกำลังหยอดเงินที่ในตู้กดนะในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีตู้กดนะก็หยอดเหรียญเพื่อจะไปซื้อน้ำออนํำอัดลมบ้างซื้อสแน็คบ้างพอเธอได้รับการช่วยให้ฟื้นขึ้นมากลับมาเป็นปกติเธอก็เล่าให้พ่อฟังพ่อแตกใจามากเพราะว่า ไอตอนนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเตกมันเป็นกลางดึกเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีใครตรงระเบียงแล้วนอกจากตัวพ่อเองแล้วลูกสาวเห็นได้ยังไงนะเพราะตอนนั้นมันไม่มีใครเลยไอลูกสาวตอนนั้นเนี่ยก็ก็เรียกว่าในภาะาทางการแพทย์ก็ถือว่าตายแนละ้วแต่เขาเห็นนะเห็นด้วยอะไรนะไอตัวเนี่ยอยู่ที่ห้องผ่าตัดนะแต่ไปเห็นข้างนอกห้องผ่าตัดได้ยังไง อีกลายนึ่งนะอยู่ๆว่าหัวใจหยุดเต้นก็รีพาสส่งโรงพยาบาลพยาบาลก็ทําการช่วยนะมีการกระตุ้นมีการปั๊มหัวใจแล้วก็มีการใส่ท่อเพื่อช่วยหายใจตอนนั้นเขาสลบอยู่นะพยาบาลที่ใส่ท่อเนี่ยเอาท่อใส่ปากเนี่ยก็เห็นเขาใส่ฟันปลอมก็ต้องถอดฟันปลอมมากก่อนถึงจะใส่ท่อเขาไปได้เป็นกอย่างปลอดภยัย แล้วก็ช่วยชี้เขาได้เขาพักพื้นที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งระห่างที่เขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยวันนึ่งเขาก็เห็นพยาบาลคนนึงเดินผ่านมาเขาก็เลยทักว่าคุณทำไมที่ถอดฟันปลอมผมเพียร์บาลคนนั้นงงเลยนะเพอาะตอนที่ถอดฟันปลอมเนี่ยคนไข้คนนั้นเนี่ยยังเรียกว่าเป็นตายเท่ากันเลยแล้วก็เห็นได้อย่างไรแสดงว่าการเห็นของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เห็นด้วยตา อีกลายหนึ่งนะหัวใจยหยุดเต้นก็ถูกปั๊มขึ้นมารอดตอนที่ถูกตอนที่หัวใจยหยุดเต้นมาเป็นกลางดึกเขาวัุงตอนเช้าเนี่ยวันุมงขึ้นเขาเขารูา้ตัวเนี่ยเขาก็เล่าให้ลูกหลานฟังนะที่จริงเขาว่าลูกหลานด้ซา้าว่าเนี่ยพขาพดว่าเนี่ยข้าว่าจะไปสบายแล้วเชียวนะพวกแกไปพาเขากลับ ไปช่วยเขากลับมาทำไมแกเล่ ว, ว่าตอนที่หวัวใจหยุดเต้นเห็นตัวเองเนี่ยจากมุมสูงเนะเห็นเด็กเนี่ยที่จ้างมาเฝ้าเฝ้าไขยเนี่ยไปเรียกหมอพยาบาลมาแล้วก็เห็นตัวเองกลังถูกปั๊มตอนนั้นแกว่าแกสบายมากรู้สึกสบายมากเลยนะคิดว่าถ้าไปตอนนั้นก็ดีนะจะได้ไปสงบที่น่าสนใจคือว่าเห็นตัวเองได้อย่างไรตอนนั้นเนี่ยถือว่าสลบถือว่าโคม่าแล้ว หรือถือว่าตายในทางการแพทย์ว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วไอ้ที่เรียกการเห็นของคนเราเนี่ยนะแม้กระทั่งในยามที่เรียกว่าใกล้าตายหรือตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยตานะมันเห็นด้วยใจเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคนที่เรียกว่าถือว่าตายไปแล้วในทางการแพทย์เนี่ยแล้วก็กาลังจะตายอย่างสมบูรณ์เนี่ย แต่โดยที่จิตเข ย, ยังรับรู้ได้คือยังไม่ออกจากร่างพูดง่ายๆนะยังไม่ออกจากร่างเนี่ยก็สามารถจะรับรู้ได้นั่นถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราตอนหนักหรือสังวรว่ า, าการที่จะพูดอะไรกับคนที่เขาถือว่าตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไม่รับรู้นะเขาจะรับรู้ได้แต่เขาจะแสดงออกไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นะต่อมาคือไปไป ไปรับสังกฐานจากแม่ของเพื่อนตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลประกบว่าหัวใจหยุดเต้นละคุณยายหัวใจหยุดเต้นละ้ะแล้วก็หมอก็บอกว่าตายละนะแต่ธรรมาก็เชื่อว่า mm hmm. เขายังรับรู้ได้ตอนที่หมอบอกว่าตายนี่ก็ประมาณแปดโมงเชาธรรมไปถึงเก้าโมงไปถึงก็ไปรับสังกฐานนะจากมือของเขา แล้วก็ก็พูดกับคุณยายเนี่ยเหมือนกับพูดกับคนที่ใกล้ตายนะพูดให้นึกถึงบุญกุศลนึกถึงพระรัตนนาตายนึกถึงความดีที่ได้ทำแล้วก็ให้ปล่อยวางเสร็จแล้วก็สวดมนต์อนุโมทนาให้พรตอนที่ไปถึงเนี่ยไอ้เครื่องที่สายที่ใช้ต่อกสัญญาณชีวเนี่ยยังไม่ถอด เพราะว่าเพิ่งตายใหม่ๆไม่ถึงชั่วโมงอาตมาตอนนั้นก็รีบนะมีอีกงานหนึ่งพอรับสังฆทานอนุโมทนาให้พรก็ก็ต้องไปที่อื่นต่อลูกสาวเข้ามาเล่าในเวลาในภายหลังว่าตอนที่อาตมาคุยกับแม่เนี่ยไอ้สัญญาณชีพที่มันเคยนิ่งเนี่ยนะสัญญาณหัวใจประกอิมันเต้นขึ้นมาเลยนะมันเต้นขึ้นมา ถ้าไม่ใช่เป็นความบังเอิญก็แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวอาจจะรับยังรับรู้ได้นะท่านังที่หมอเนี่ยก็วินิจฉัยแล้วว่าตายแล้วนมเมื่อเรารู้แบบนี้เนี่ยนะขนาดคนที่หมอวินิจฉัยว่าตายแล้วเนี่ยยังพอยังพอจะรับรู้ได้นักภาษาแล้วคนที่เป็นผักหรือเป็นคนที่โคม่าซึ่งยังมีการหายใจอยู่ นะก็เชื่อว่าเขาจะรับรู้ได้และที่จริงก็มีตัวอย่างมากมายนะคนที่ฟื้นจากโคมมากเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเวลาพยาบาลพูดกันเวลาพยาบาลหยอกล้อ ก, กับหมอเขาก็ได้ยินคนที่เป็นผักเนี่ยเขารับรู้ได้นะแต่ว่าเ้ า, า จ, จะไม่สื่อสารแต่บางกรณีก็ จ, จะสื่อสารนะอาจารย์อัมโมโรเนี่ยซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดพระอัมราวดี adi, ที่ประเทศอังกฤษเวลานี้พระอัมราวดี adi, นี่ก็ หลวงพ่อสุเมโทเคยเป็นเจ้าวาดองค์แรกก็มีเมื่อสักสองสามปีที่แล้วเนี่ยคุณยายของอาจารย์มโรเนี่ซึ่งเป็นผักมาได้สามสี่ปีเนี่ยเกิดมีปัญหาร่างกายเนี่ยนะมันมันมันป่วยหนักนะหมอวิทย์ชัยแล้วต้องผ่าตัดใหญ่แต่ว่าลูกสาวนะ ของคุณยายคนเนี้ยซึ่งคงจะยุเป็นร้อยปีะนะลูกสาวคือโยมแม่ของท่านอาจารย์อมารโอเนี่ยกับญาติพี่น้องก็มาประชุมกันแล้วก็ตกลงว่าเนี่ยไม่ผ่าดีกว่านะมันจะเป็นการยื้อชีวิตจะเป็นการทรมานตกลงว่าไม่ผ่าก็ขอให้ถ้าจะไปก็ให้ให้ผู้ป่วยไปอย่างทีเป็นธรรมชาติบรากัว่าพอประชุมเสร็จนะ คุณยายเนี่ยซึ่งเป็นผักมาสี่ปีเนี่ยจูจๆก็พูดขึ้นมาเลย thank you นะพูดคำเดียวนะ thank you สี่ปีเนี่ยพูดคำเดียวแปลว่าอะไรแปลว่าได้ยินได้ยินลูกเนี่ยคุยกันแล้วก็ดีใจนะที่ลูกเนี่ยไม่ยื้อ้วยการให้หมอมาผา่าแล้วกาหลังจากนั้นวันสองวันนะคุณยายก็ไป ให้พวกเราเนี่ยถ้าว่าเรามีมีบุปการีที่เป็นผักหรือว่ามีเพื่อนมีญาติที่เป็นผักเนี่ยให้เราตระหนักว่าเขารับรู้ได้นะอาจจะไม่ร้อยเปอเซ็นตเหมือนคนทั่วไปนะเมื่อเขารับรู้ได้เนี่ยเราก็พูดสิ่งดีๆให้เขาฟังนะสวดมนต์ให้เขาได้ยินหรือชวนเ็าสวดมนต์หรือว่าอ่านหนังสือทาไม้เขาฟังหรือจะอ่านที่ใหญ่หเาฟังก็ได้อะไรที่เขาชอบเนี่ย อันนี้มันก็จะเป็นการช่วยในทางจิตใจเขาได้คราวนี้เนี่ยพูดถึงพอใกล้ตายเนี่ยนะมันยังมีปรากฏการณ์ทางจิตอยู่สองสาอย่างที่เราควรจะรู้อันแรกเราเรียกว่ากมมะอารมณ์นะกมมอารมณ์ก็คือภาวะที่ปรากฏการณที่จิตเนี่ยมันระลึกเนาะระลึกนกึลล ก, นกถึงเหตุการณ์ในอดีตอาจจะเกิดมันจะเห็นเป็นภาพอาจจะตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเป็นทารกด้วยซ้ำ เป็นภาพที่มันย้อนนะกลับมาให้เราเห็นและเร็วมากเลยมันแสดงว่าสิ่งที่เราได้เจอได้เห็นเนี่ยมันไม่เคยลืมเลยมันอยู่ในจิตของเราวันดีคือดีนะมันก็มันกับสำรอกออกมาคนที่เขาใกล้ตายเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเจอปรากฏการณ์นี้ฝรั่งทึ่งทำวิจัยเกี่ยวเรื่องประสบการณ์ใกล้ตายเนี่ยก็พบ ว่ามีผู้ป่วยใกล้าตายจำนวนมากเนี่ยสามารถที่จะเห็นเหตุการณ์นะที่ย้อนถอยหลังในอดีตได้ในอดีตที่ไม่ใช่อดีตชาตินะหมายถึงอดีตสมัยยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวฝรั่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าไลฟ์รีวิวนะคือการย้อนทวนประสบการณ์ในอดีตคนที่พยายามค่าตัวตายแล้วไม่ตายเนี่ยตอนที่หน้าสื่อหน้าขา่าวเาก็เขาก็เล่านะว่ามันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับเขา แต่ น, นี้ก็ไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่นะมันสาคัญอีกอันนึ้ก็คือกรรมนิมิตนะกรรมนกรรมนิมิตก็คือภาพหรือเสียงที่คนใกล้าตายเนี่ยเห็นหรือได้ยินซึ่งจะมีทั้งบวกและลบทั้งกุศลและอกุศลเป็นภาพที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต ท, ที่ฝังใจหรือประทับใจนะเช่นใครที่เคยไปฆ่าคนไปฆ่าสัตว์นะ คนที่เคยถูกฆ่าสัตว์ที่ถูกฆ่าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามาหลอกหลอนเจ้าตัวจะเห็นภาพสัตว์หรือคนเหล่านั้นแล้วก็จะมีอาการตื่นกลัวตื่นตนกนะคนที่ชอบทรมานไก่เนี่ยหลายคนเนี่ยนะจะเห็นไก่ที่เขาทรมานคือไก่ชนเนี่ยมันมามันมาร้องมาหอยหวนบางทีก็เอามือเอากำปั้นกระแทกกันกระแทกกรปั้นกรปั้นนี่กระแทกนีกน่กระแทกเนี่ยเยมื่ อ, อไก่มันชนกัน วังเขิงก็ร้องเป๊กพ่อด้่ยเป็กพ่อกระแทกจนมือนี่แตกเลยนะอันนี้ก็เป็นกรรมนิมิตแบบหนึ่งนะแต่ว่ากรรมนินิมิตอีกแบบก็คือนะเป็นกุศลนะอย่างเช่นคนที่ใส่บ า, าพปพระเระจําก็อาจจะตอนใกล้ตายก็อาจจะเห็นขันใส่บาตรนะขันใส่ข้าวที่ที่ใช้เวลาบินทบาตหรือใช้เวลาใส่บาตรเนี่ย เห็นแล้วก็เกิดปิติบางคนชอบหลอพระเวลาจะตายก็เห็นพระพุทธรูปที่ตัวเองหล่อหรือถวายเนี่ยเห็นแล้วก็จิตใจชื่นบานเกิดปิติอันนี้ก็ทําให้จิตเป็นกุศลนะมันมีคตินิมิตด้วยนะคตินิมิตเนี่ยก็หมายถึงนิมิตเกี่ยวกับภพภูมิที่จะไปนะบางทีก็เห็นเป็นภาพเมฆบางทีก็เห็นเป็นภาพท้องฟ้าบางทีก็เห็นเป็นภาพไฟเห็นเป็นภาพถรำไอ้ผู้เนี่ย มันแสดงว่าจะไปสุกติหรือทุกตินะแต่ว่าก็ยังอยู่ในวิสัยที่จะเปลี่ยนได้นะถ้ามีคนนำทางดีๆคตินิมิตที่จะพาที่จะบอกว่าไปอบายก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคตินิมิตที่บอกว่าจะไปสุกติก็ได้แต่จะไปสุกติหรือทุกตนะิตัวชี้ขานก็คือคืออสัญนกรรมนะอสัญนกกรรมก็คือกรรมจวนเจียนที่ คนทั่วไปเรียกว่าจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะในช่วงมรณามรณสันนการเนี่ยคือตัช่วงที่จะตายเนี่ยถ้าจิตเนี่ยเป็นนึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกิดความเศร้าความหวงแหนความอาลัยอาวรเนี่ยถ้าจิตสุดท้ายเป็นไปนหน่วงเหนี่ยวอารมณ์แบบนั้นเนี่ยนะมันก็ไปอบายเลยนะแต่ถ้าจิตสุดท้ายเนี่ยนะ เป็นจิต ท, ที่นึกถึงความดีนึกถึงพระรัตนตรยัยนึกถึงมูลกุศลอันนี้ก็อสัญนกรรมเป็นกุศลก็ไปสุขคติน ะ, ะในกรรมทุกกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยตัวชี้ขาดก็จะไปไหนเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยนะหรือเมื่อจะไปสู่พบใหม่เนี่ยคืออสัญกรรมยกเว้นพวกที่ทําอนันตริยกรรมไว้นะไอพวกนี้นี่อ่ะอีก ยกไว้นะแต่คนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้ทอนันตรีกรรมไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้ทำร้ายพระ อ, อรหันต์เนี่ยถ้าจิตสุดท้ายเป็นกุศลก็ไปดีจิตสุดท้ายเป็นอกุศลก็ไปไม่ดีคนดีบางคนนะทาความดีมาแต่จิตสุดท้ายเนี่ยเกิดไปเป็นนึกถึงอะไรก็ตามที่ทำให้จิตเศร้าหมองไปอบายนะในพุทธกาลนีมีภาพรูปหนึ่งนะท่าน ท่านก็คงเป็นพระที่ก็เรียบร้อยนะเป็นพระที่ตั้งใจปฏิบัติแต่ตอนจะตายเนี่ยท่านเป็นนึกถึงจีวรพิส่าให้จีวรถวายจีวรท่านสายพุทธการในจีวรนเป็นของหายากนะถือเป็นของมีค่าแถนเป็นจีวรเนื้อดีด้วยท่านได้จีวรมาแต่ไม่ทันได้ครองตอนจะตายเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่เป็นนึกถึงจีวรผืนนั้นด้วยความหวงแหนด้วยความอาลัย เธอจะด้วยความเสียดายที่ไม่ได้สนองศรัทธาพี่สาวตายปุ๊บนี่ไปเป็นเลนในจีวอเลยนะจีรณีหนึ่งนะนางนางมริกาเทวีเป็นเมเหศีพระเจ้าประสิทธิโกศนก็เป็นคนที่ชวนให้พระเจ้าประสิธิโกศนเนี่ยหันมาสนใจบุญกุศล น, นะเลิกบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์เป็นคนมีธรรมะแต่ว่าอายุสั้นนะอายุประมาณสักยี่สิบปลายปลายสามสิบต้นต้นก็ตาย ตอนที่ตายเนี่ยจิตเกิดเป็นนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ทําไม่ดีกับพระเจ้าปเสนิยโกศลคือไปหลอกตัวเองทำอะไรไม่ดีบางอย่างที่นา่าอายแล้วก็พระเจ้าปเสนิยโกศลเห็นก็พูดหลอกนะว่าไม่ได้ทําพระเจ้าปเสรียโกศลนี่ก็เชื่อเช <c oughs> <c oughs> ื่อก็หลอดตัวไปแต่ปรากฏว่าตอนจะตายเนี่ยจิตใจเนี่ยเป็นนึกถึงเหตุการณ์นั้นว่าทํามุสาวาจิตก็รู้สึกรู้สึกหม่นมองนะ รู้สึกผิดแล้วก็จิตสุดท้ายนี่ก็อยู่ในภาวะอารมณ์นั้นเนี่ยเนี่ยพอตายปุ๊บไปนรกเลยนะไปนรกเอาคนอย่างเงี้ยบางทีเราก็สงสัยนะบางทีอาจจะมีความสงสัยไวย้คนทําดีทําไมตายแล้วไปอบายไปนรกอันนี้คําตอบคือว่าเป็นเพราะจิตสุดท้ายเนี่ยนะเป็นอกุศลบางคนอาจจะสงสัยหรือตั้งคําถามว่า นั่นความดีที่ได้ทำเนี่ยมันไม่ช่วยเลยทำดีทำไมไม่ได้ดีก็ต้องตอบว่าการกระทาทุกอย่างหรือกรรมเนี่ยนะมันส่งผลทั้งนั้นแหละแต่กรรมบางอย่างเนี่ยส่งผลเร็วกรรมบางอย่างส่งผลช้าอสัณกรรมที่ส่งผลเร็วแต่กรรมที่ทำก่อนนั้นส่งผลช้าแต่ก็ส่งผลนะอย่างเช่นพระที่ท่านเป็นเลนในจีวรเนี่ยนะพอครบเจ็ดวันเนี่ย เลนก็หมดอายุกรรมดีที่ท่านได้ทําก็ส่งผลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์เช่นเดียวกับนางเมเิกาเทวีนะพออยู่ในนรกได้เจ็ดวันเนี่ยไอ้ความดีที่นางได้ทําเนี่ยมันก็ส่งผลให้นางเนี่ยไปเกิดเป็นเทพธิดาเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีที่ทำํำจะส่งผลแน่นะแต่ว่าจะไปไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่อัศนกรรมเนี่ยเป็นหลักยังคนไทยเนี่ยชาวพุทธเนี่ย จึงให้ความสําคัญกับการนําทางคนใกล้ตายเนะ่คนใกล้ตายเนี่ยก็จะพยายามนะต้องมีการนําเพื่อให้จิตเป็นกุศลจะได้ไปดีเนะีการนําทางคนใกล้ตายก็จะมีการนิมนต์พระมามเรียบบอกรหังนะบอกอารหังนะ อ, อรหังคือรอรหังสามาสามุโทโธเนี่ยนะแต่คนบางคนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าจิตมันบาปมากนะ มีใครมานําทางเนี่ยแม่จะมาบอกอารหังเนี่ยมันก็ไม่ไปนะจิตก็ไม่ไปไม่น้อมไปในทางกุศลอย่างลุงปู่ดูเนี่ยพระมาะปัญโยท่านเล่ามีคนนึงเนี่ยเขาชอบทรมานปลามากนะน้องชายเนี่ยตอนตอนที่เขาจะตายเนี่ยน้องชายก็มาบอกนะมาบอกอรหังนะไอะ้คนที่ใกล้ตายคนนั้นเนี่ยมันกลับนึกถึงปลาในกระชังนะมาบอกอรหังเนี่ยแต่นึกถึงปลาในกระชัง เวลาน้องชายบอกพุโทโธนะก็เป็นนึกถึงแกงส้มปลาเทพโพนะมันไปไม่พ้นเรื่องปลาเนี่ยนะอย่างเงี้ยไปอาบายแน่นะหรือบางคนเนี่ยนะเป็นพระนะมาบวชตอนแก่ตอนจะตายเนี่ยนะเพื่อนพระก็มานํานําบอกทางนะให้เราลึกถึงพระรัตนตรยัยแต่เจ้าตัวเนี่ยนึกไปไม่ถึงเลยเห็นแต่หน้าคนตายเห็นแต่หน้าคนที่ตัวเองเคยฆ่า ตอนเนี่ยเป็นคารวาสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอเห็นแล้วก็เกิดความกลัวเกิดความตื่นตนะหนกนะ่างนี้ก็ไปไม่ดีนะเพราะว่าแม้จะทำแม้จะมีสิ่งว่าล้อมดียังไงนะแต่ว่าถ้าใจเนี่ยนะมันฝังอยู่กับความชั่วที่ทําเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเป็นกุศลได้เพราะเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยก็พยายามทําความดีเอาไว้นะทาความดีแล้วก็ ต้องฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางด้วยคนเราไม่ทําความดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องเผลอทําความชั่วหรือผิดศีลบ้างนะถ้าไม่เคลียร์ก่อนตายนะไอความชั่วที่ได้ทําก็จะผุดโผล่ขึ้นมาถึงตอนนั้นก็ต้องอาศัยสติแล้วนะรู้ทันแล้วก็วางเนี่ยการเจริญสติเนี่ยเพื่อให้เราจะได้รู้ทันความคิดรู้ทันจิตใจแล้วก็ปล่อยวางได้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญ ซึ่งจะเป็นหลักประกันให้เราเนี่ยสามารถจ ะ, ะไปสงบได้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความรู้นะพื้นฐานที่เราควรจ ะ, ะได้รู้เอาไว้นะเพราะว่าเวลาเราจะช่วยคนที่เรารักให้เขาไปสงบเนี่ยตอนที่เขาอยู่ในระยะสุดท้ายใกล้าตายเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่าทำไมเขามีอาการแบบนี้หรือเราจะช่วยเขาและไปดีได้อย่างไรเอาคำนี้พวกกันเท่า น, นี้นะกราบพระ